ความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ที่เกี่ยวข้องสังขารในขันห้ากับสังขารในไตรลักษณ์ในภาษาไทยมีตัวอย่างมากมายที่คำพูดหรือคำศัพท์เดียวกันแต่มีความหมายต่างกันหลายอย่างที่ต่างกันเล็กน้อยยังมีเขาความหรือลักษณะบางอย่างคล้ายคลึงหรือพอเทียบเคียงกันได้ก็มีที่ต่างกันห่างไกล จนไม่มีอะไรเทียบประโยงถึงกันเลยก็มีเช่นกรอนหมายถึงคําประพันธ์ประเภทหนึ่งก็ได้หมายถึงไม้ขัดหรือลูกสลักประตูหน้าต่างก็ได้หมายถึงลูกตุ้มที่ใช้เป็นอาวุธก็ได้เขาที่หมายถึงเนินอันสูงขึ้นไปบนพื้นดินและเขาที่หมายถึงส่วนของกายที่มีลักษณะแข็งที่งอกออกมาจากหัวสัตว์บางพวก กล่าวได้ว่ามีลักษณะคล้ายกันอยู่บ้างแต่เขาที่เป็นสัพนาบุรุษที่สามกับเขาที่เป็นชื่อนกพวกหนึ่งคงพูดได้ยากว่ามีอะไรใกล้เคียงหรือเทียบคล้ายกันได้อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่เข้าใจความหมายในย่าต่างๆของถ้อยคาดีแล้วและได้ยินได้ฟังได้ใช้อยู่จนเคยชิน เมื่อพบคำเช่นนั้นที่มีผู้ใช้พูดใช้เขียนในข้อความต่างๆ ต, ตามปกติจะแยกได้ไม่ยากว่าคำนั้นที่ใช้ในข้อความนั้นมีความหมายอย่างไรโดยมากจะเข้าใจได้ทันทีตัวอย่างเช่นจะเย็บผ้าได้ก็ต้องใช้เข็มจะสร้างบ้านใหญ่ต้นให้ลงเข็ม เขาขึ้นเขาตามล่ากวางเพื่อเอาเขาหญิงชราไปในเรือเดินทะเลพอได้ยินว่าจะพบลมใหญ่ก็จะเป็นลมเขาหักพุงมะลัยหลบเด็กขายพุงมะลัยอย่าทำล้อเล่นรถนี้มีแค่สองล้อพอหนังจบเขาก็รีบคว้ากระเป๋าหนังรุดไปที่ทำงานตายัางตาดี แต่ฟันไม่ดีกาน้ำนั้นหากินในน้ำกาน้ำนี้คนขายกาแฟใช้หากินเพราะเสียสีจึงเสียสีร่วงโรดไม่ร่วงโรยดังนี้เป็นต้นในภาษาบาลีก็เช่นเดียวกันมีศัพท์มากมายที่มีความหมายหลายในยะผู้ใดเล่าเรียนดีแล้ว แม้พบศัพท์เหล่านั้นที่ใช้ในความหมายหลายอย่างปะปนกันอยู่ก็สามารถจับแยกและเข้าใจได้ทันทีแต่ผู้ไม่คุ้นเคยหรือผู้แรกศึกษาอาจสับสนงุนงงหรือถึงกับเข้าใจผิดได้ตัวอย่างคําจำพวกนี้ที่มาจากภาษาบาลีเช่นนาคอาจหมายถึงสัตว์คล้ายงูแต่ตัวใหญ่มากก็ได้ หมายถึงช้างใหญ่เจนสึกก็ได้หมายถึงบุคคลผู้ประเสริฐก็ได้นิมิตในทางพระวินัยหมายถึงวัตถุที่เป็นเครื่องหมายเขตที่ประชุมสงฆ์บ้างหมายถึงอาการสแสวงหาลาบในทางที่ผิดด้วยวิธีขอเขาแบบเชิญชวนโดยนัยยะบ้างแต่ในทางธรรมปฏิบัติหมายถึงภาพที่เห็นในใจในการเจริญกรรมฐาน นิกายหมายถึงหมวดตอนในพระไตรปิฎกส่วนพระสูตรก็ได้หมายถึงคณะนักบวชหรือกลุ่มศาสนิกที่แบ่งกันเป็นพวกพวกก็ได้ปัจจัยในทางพระวินัยหมายถึงเรื่องอาศัยของชีวิตเช่นอาหารแต่ในทางธรรมะหมายถึงเหตุหรือเครื่องสนับสนุนให้ธรรมะอื่นเกิดขึ้น ขอให้พิจารณาความหมายของคำศัพท์เดียวกันที่ต่างในยากกันออกไปเมื่อใช้ในข้อความต่างๆดังตัวอย่างต่อไปนี้ภิกษุรู้รสด้วยลิ้นอร่อยก็ตามไม่อร่อยก็ตามเธอไม่ปล่อยให้ความติดใจหรือความขัดใจเข้าครอบงำจิตภิกษุนี้ชื่อว่าสำรวมอินทรีย์คือลิ้น อินซีคือศรัทธามีการยังธรรมะทั้งหลายที่ประกอบอยู่ด้วยให้เข้าถึงภาวะผ่องใสเป็นรสประดุดดังสารส้มหรือมีการวิ่งแล่นไปหาอารมณ์เป็นรสภิกษุพึงเจริญอินรีคือศรัทธานั้นคำว่ารสก็ดีคำว่าอินรีก็ดีในข้อความสองท่อนนี้มีความหมายต่างกัน ในข้อความแรกรสหมายถึงสิ่งที่รู้ด้วยลิ้นหรือสิ่งที่เป็นอารมณ์ของจิวหาวิญญาณอินทรีย์หมายถึงสิ่งที่เป็นเจ้าการในการรับรู้อารมณ์กล่าวคืออายตนะภายในส่วนในข้อความหลังรสหมายถึงกิจหรือหน้าที่อินทรีย์หมายถึงกุศลธรรม ที่เป็นเจ้าการในการกำราบอากุศลธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ภิกษุพึงกระทำโยคะเพื่อบรรลุธรรมเป็นที่ปลอดภัยจากโยคะโยคะคําต้นหมายถึงการประกอบความเพียรในการเจริญภาวนาคือฝึกฝนพัฒนาจิตปัญญาโยคะคําหลัง หมายถึงธรรมะคือกิเลสที่ประกอบคือเทียมหรือผูกมัดสัตว์ไว้กับทุกข์ในภพอุทุชนมองเห็นรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณบ้างว่าเป็นตนแต่ขันธ์ทั้งห้านั้นจะเป็นตนหาได้ไม่เพราะสังขารทั้งหลายทั้งปวงล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาคือไร้ตัวมิใช่ตนทั้งสิน้นสังขารคำแรกหมายถึงเพียงขันหนึ่งในบรรดาขันห้าแต่สังขารคำหลังครอบคลุมความหมายของสังคตธรรมทั้งหมดที่เป็นไปตามไตรลักษณ์คำเกี่ยวข้องที่ต้องการอธิบายในที่นี้คือสังขาร แต่ที่ได้ยกตัวอย่างคำอื่นๆมาแสดงไว้มากมายและได้บรรยายมาอย่างยืดยาวก็เพื่อให้เห็นว่าคำพูดในภาษาไทยก็ตามในภาษาบาลีก็ตามที่เป็นคำเดียวกันแต่มีความหมายต่างกันเป็นสองอย่างบ้างหลายอย่างบ้างกว้างแคบกว่ากันบ้างเป็นคนและเรื่องไม่เกี่ยวกันบ้างตลอดจนตรงข้ามกันก็มีนั้นมีอยู่มากมายและเป็นของสามัญเมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้ว มาเห็นคำว่าสังขารที่ท่านใช้ในความหมายต่างๆหลายในยะก็จะไม่เห็นเป็นของแปลกและจะเข้าใจมองเห็นตามได้ง่ายคำว่าสังขาร น, นั้นมีที่ใช้ในความหมายต่างๆกันไม่น้อยกว่าสี่ไนยะแต่เฉพาะที่ต้องการให้เข้าใจในที่นี้มีสองไนยะคือสังขารที่เป็นข้อหนึ่งในขันห้า กับสังขารที่กล่าวถึงในไตรลักษณ์เพราะสังขารสองในยะนี้มาในหลักธรรมสำคัญกล่าวอ้างกันบ่อยและมีความหมายคล้ายจะซ้อนกันอยู่ทำให้ผู้ศึกษาสับสนได้ง่ายอีกทั้งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมที่กำลังอธิบายอยู่โดยตรงเบื้องแรกขอยกคำมาดูให้เห็นชัด 1. สังขารในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและสองสังขารในไตรลักษ์สังขา ร, ร, าารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาขอนำความหมายทั้งสองในยะนั้นมาทบทวนโดยเข้าคู่เทียบให้เปรียบกันดูดังนี้ 1. สังขารซึ่งเป็นข้อที่สี่ในคันหหมายถึงสภาวะที่ปรุงแต่งจิตให้ดีให้ชั่วให้เป็นกลางได้แก่คุณสมบัติต่างๆของจิตมีเจตนาเป็นตัวนำมีปรุงแปลกา ร, รตรึกนึกคิดในใจและการแสดงออกทางกายวาจาให้เป็นไปต่างๆเป็นตัวการของการทำกรรม เรียกง่ายงว่าเรื่องปรุงของจิตเช่นศรัทธาสติหิริโอตตปปะเมตตาการุณาปัญญาโมหะโลภะโทสะเป็นต้นคำพีอภิธรรมจำแนกไว้ห้าสิบอย่างเรียกว่าเจตสิกห้าสบในจำนวนทั้งหมดห2บซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนเป็นนามธรรมที่มีอยู่ในใจทั้งสิ้น นอกเหนือจากเวทนาสัญญาและวิญญาณ 2. ส, สังขารที่กล่าวถึงในไตรลักษณ์หมายถึงสภาวะที่ถูกปรุงแต่งคือสภาวะที่เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นทุกอย่างประดามีไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตาม เป็นด้านร่างกายหรือจิตใจก็ตามมีชีวิตหรือไร้ชีวิตก็ตามอยู่ในจิตใจหรือเป็นวัตถุภายนอกก็ตามเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสังคตธรรมคือทุกสิ่งทุกอย่างเว้นแต่นิพพานจะเห็นว่าสังขารในขันห้ามีความหมายแคบกว่าสังขารในไตรลักษ หรือเป็นส่วนหนึ่งของสังขารในไตรลักษณ์นั่นเองความต่างกันและแคบกว่ากันนี้เห็นได้ชัดทั้งโดยความหมายของศัพท์คือสัจธรรมและโดยองค์ธรรมความต่างกันของสังขารโดยความหมายของศัพท์สังขารในขันห้า หมายถึงสภาวะที่ปรุงแต่งจิตตัวปรุงแต่งจิตใจและการกระทาให้มีคุณภาพต่างๆเรื่องปรุงของจิตหรือแปลกันง่ายๆว่าความคิดปรุงแต่งส่วนสังขารในไตรลักษณ์หมายถึงสภาวะที่ถูกปรุงแต่งคือถูกปัจจัยของมันปรุงแต่งขึ้นมาแปล ง, ง่ายๆว่า สิ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งสิ่งปรุงแต่งหรือของปรุงแต่งนอกจากความหมายจะต่างกันอย่างที่พอสังเกตเห็นได้อย่างนี้แล้วความหมายนั้นยังแคบกว่ากันด้วยกล่าวคือสภาวะที่ปรุงแต่งจิตเรื่องปรุงของจิตหรือความคิดปรุงแต่งคือสังขารในขันห้านั้น ตัวของมันเองก็เป็นสภาวะที่ถูกปรุงแต่งเป็นสิ่งปรุงแต่งหรือเป็นของปรุงแต่งและเกิดจากปัจจัยอย่างอื่นปรุงแต่งขึ้นมาอีกต่อหนึ่งทยอยกันไปเป็นทอดๆจึงไม่พ้นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังขารในความหมายอย่างหลังคือในไตรลักษณ์คือเป็นสภาวะที่ถูกปรุงแต่งหรือเป็นของปรุงแต่งนั่นเอง สังขารในขันห้าจึงกินความหมายแคบกว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งส่วนสังขารในไตรลักษณ์กินความหมายครอบคลุมทั้งหมดความต่างโดยองค์ธรรมถ้าแบ่งธรรมะหรือสิ่งต่างๆออกเป็นสองอย่าง คือรูปธรรมกับนามธรรมและแบ่งนามธรรมซอยย่อยออกไปอีกเป็นสี่อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจะเห็นว่าสังขารในขันห้าเป็นนามธรรมอย่างเดียวและเป็นเพียงส่วนหนึ่งในสี่ส่วนของนามธรรมเท่านั้นแต่สังขารในไตรลักษ์ครอบคลุมทั้งรูปธรรมและนามธรรมอันหนึ่ง รูปธรรมและนามธรรมที่กล่าวถึงนี้เมื่อแยกออกไปก็คือขันห้านั่นเองจะเห็นว่าสังขารในขันห้าเป็นเพียงขันหนึ่งในขันห้าเป็นลำดับที่สแต่สังขารในไตรลักษ์รอบคลุมขันห้าทั้งหมดกล่าวคือสังขารในขันห้าเป็นสังขารอย่างหนึ่งในไตรลักษ์ เช่นเดียวกับคันอื่นๆทั้งสี่ันนอกจากนั้นธรรมะหรือสิ่งต่างๆที่นำมาแบ่งในที่นี้ก็คือสังกตาธรรมซึ่งก็เป็นวัยพ์คืออีกชื่อหนึ่งของสังขารในไตรลักษณ์นั่นเองจึงเห็นชัดเจนว่าสังขารในขันหเป็นเพียงส่วนย่อยอ ย, อย่างหนึ่งป่ายนามธรรม ที่รวมอยู่ด้วยกันทั้งหมดภายในสังขารในไตรลักษ์เท่านั้นเองฉะนั้นคากล่าวที่ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงกับข้อความว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงจึงมีความหมายเท่าเท่ากันหรือพูดอีกในยะหนึ่ง ข้อความว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อจะขยายออกไปให้ละเอียดก็พูดใหม่ได้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเพื่อกันความสับสนบางทีท่านใช้คําว่าสังขารขันหรือสังขารขันสําหรับคําว่าสังขารในขันห้า ที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในนามนธรรมและใช้คำว่าสังขารที่เป็นสังคตธรรมหรือสังคตสังขารหรือสังขารเดียวๆสำหรับสังขารในไตรลักษณ์ที่มีความหมายครอบคลุมทั้งรูปธรรมและนามนธรรมหรือขันห้าทั้งหมดการที่ข้อธรรมะสองอย่างนี้มาลงเป็นคำศัพท์เดียวกันว่าสังขาร ก็เพราะมีความหมายเหมือนกันว่าปรุงแต่งแต่มาต่างกันตรงที่ว่าอย่างแรกเป็นความคิดปรุงแต่งอย่างหลังเป็นสิ่งปรุงแต่งหรือของปรุงแต่ง